คำชะโนดคือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์และมันคือป่าที่มีตำนานที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชาวลาวให้ความนับถือเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินและวังพญานาคต้นตำนานแม่น้ำโขงเป็นป่าที่มีความน่าสนใจ ในแง่พฤกษศาสาตร์ที่โลกต้องทึ่งกับต้นคำชนโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปีและมีอยู่ที่เดียวณป่าคำชนโนดป่าคำชนโนดตั้งอยู่บนพื้นที่ราว20ไร่นตตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่ตัง้งตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีต้นชนโนดอยู่ในตระกูลเดียวกับป่า คล้ายๆต้นตาลต้นหมากหรือแม้ก็ต้นมะพร้าวแต่สูงกว่าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทิวชะโนดสูงเด่นเป็นสงา่าปี2520เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านได้ทำการสำรวจจำนวนต้นชโนดในป่าแห่งนี้จึงมีอยู่ราว 2,000 กว่าต้นจนมาถึงปี2544 ชาวบ้านสำรวจอีกครั้งพบว่าต้นคำชะโนดลดลงเหลือเพียง 1,865 ต้นถึงกระนั้นที่นี่ยังคงมีความเย็นชื้นและให้บรรยากาศบังเวงเหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกใจก็คือหากพ้นจากดวงคำชะโนดแห่งนี้ไปห่างกันแค่ไม่ถึง300เมตรก็ไม่มีต้นชะโนดปรากฏให้เห็นแม้แต่ต้นเดียว นี่เองจึงทำให้ผืนดินราว20บไร่ถูกตั้งฉายาให้เป็นป่าแห่งชนโนธขนาดแท้และมีเรื่องเล่าต่างๆนานมาแต่โบราณเคยมีคนคิดเอาต้นชนโนธไปปลูกที่อื่นแต่ไม่นานก็ต้องเอากลับมาคืนที่เดิมเพราะชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าชีวิตครอบครัวมีแต่ความเดือดร้อน ขนาดว่าแค่เอามะเล็ดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นใบแห้งๆจากป่าสุดท้ายต้องเอามาคืนกันหมดท้องอินปากเสติชาวบ้านโนนเมืองซึ่งมีบ้านอยู่ ใ, ใกล้ๆกับป่าคํำชนโนดกล่าวว่านี่ก็เป็นเรื่องเล่าของป่าอาถรรพ์แห่งนี้ป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่เรื่องชื่อ เรื่องของความน่ากลัวชั่ว้่มคืนเพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่ําชโนดคนอีสานเรียกผีบังบทหรือเมืองรับแลไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนอกเสียจากจะมีอะไรมาดนใจให้เห็นมีเรื่องเล่า ว, ว่าเมื่อปี2532ทงชัยแสงชัย เจ้าของบริษัทหนังเร่ดังกล่าวได้เล่าว่าตนเองถูกจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่งานวัดที่หมู่บ้านวังทองแถวป่าคำชะโนดด้วยจำนวนเงิน4 0 0พบาทแต่มีข้อแม้ก็คือต้องฉายจบแค่ตีสี่ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามอง หลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์สัมภาระฟิล์มหนังที่จะนำไปฉายไปกับลูกน้องอีกสี่คนรวมเป็นหโดยขึ้นรถบรรทุกหกล้อมีหลังคาออกจากตัวจังหวัดบายแก่ๆขับรถเข้าไปแถวป่าคำชนโนกก็เริ่มมืดยิ่งขับไปตามเส้นทางตามที่ผู้ว่าจ้างบอก ก็ไม่เห็นว่าจะเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับจึงดึกว่าหลงกันระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ก็มีผู้หญิงสองคนใส่ชุดดำมาร้องเรียกว่าจะนำไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถแต่แกก็สงสัยว่าสองคนนี้โผล่มาจากไหนในที่มืดมืดอย่างนี้ผ้าหานะอะไรก็ไม่มี เมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งให้ชวนสงสัยใหญ่ว่าทำไมไม่มีเสียงลำโพงออกมาจากงานวัดไม่มีเสียงหมอํำหรือการละเล่นอะไรเลยพอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับแต่แปลกว่าทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวกับสีดำถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวผู้หญิงใส่ชุดดำแยกให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็กที่แปลก ทุกคนจะทาหน้าขาวเหมือนกันหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้าเป็นที่น่าสงสัยว่าพวกเขานั้นทำไมถึงแต่งชุดอย่างนั้นเพราะไม่มีใครใส่เสื้ออย่างอื่นเลยนอกจากชุดขาวและชุดดำเมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์เดินสายไฟและเปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กําลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นผู้คนทยอยมานั่งดูหนัง แต่จะแยกชายหญิงชัดเจนไม่มานั่งรวมกันปกติของงานวัดจะต้องมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ำขายถั่วขายปลาหมึกย่างแต่ที่นี่กลับไม่มีแม่ค้าสักคนพอติดตั้งกันเสร็จก็เริ่มฉายหนังหนังที่เอาไปฉายมีสี่เรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงครามเรื่องที่สองเป็นหนังตลกแอคชั่น เรื่องที่สามและสี่เป็นหนังผีระหว่างที่ฉายขนภาคก็พยายามภาคยิงมุกตลกตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะหรือแสดงอารมณ์อย่างใดเลยทั้งทที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหนขนก็จะหัวเราะตลอดจนเริ่มฉายเรื่องที่สามที่เป็นหนังผีสังเกตท่าทางคนที่มาดูเริ่มตั้งใจดู ทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็เที่ยงคืนดูน่ากลัวมากๆระหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กๆมาให้ทีมงานฉายหนังกินกันทางทีมงานเห็นแล้วก็ละเหี่ยใจมีแต่ข้าวต้มซีดๆกับเนื้อชิ้นเล็กๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทางทีมงานก็เลยกินกัน ปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยหลังจากฉายหนังจบถึงตีสองผู้คนก็แยกย้ายกันกลับแป๊บเดียวก็สลายไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถโดยมีผู้หญิงสองคนนั่งรถออกมาส่งก่อนจะร่ำลาก็จ่ายค่าจ้าง ที่เหลือจึงเป็นเงินเหรียญทั้งหมดพอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงสองคนนั้นลงจากรถพอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงหันกลับไปดูก็ไม่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นแล้วหลังจากกลับมาถึงบริษัทธงชัยก็เกิดความสงสัยจึงเช็คประวัติกับผู้ว่าจ้าง ที่ถ่ายเอกสารให้ตอนวางมัดจำก็พบตัวว่ามีชื่อนี้จริงแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครให้ไปฉายหนังตามวันและเวลาที่บอกด้วยความสงสัยก็เลยถามไปยังเจ้าอาวาสวัดที่เอาหนังไม่ฉายทางเจ้าอาวาสเ็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่าในคืนวันที่เจ้าของหนังบอกว่ามีการฉายหนัง ที่ป่าคำชะโนดจะมีเสียงสู้ๆเหมือนมีพายุเข้ามาทั้งๆที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยทำให้เจ้าของหนังนั้นแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากและยังหาคำตอบไม่ได้ว่าใครกันแน่ที่จ้างหนังไปฉายที่ป่าคำชะโนดนอกจากจะมีเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่ป่าคำชะโนดแล้ว พื้นป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องน่าประหลาดอีกเรื่องคือเวลาน้าแรงก็จะเห็นว่าดินเชื่อมต่อกันไม่มีอะไรแต่เวลาน้าท่วมที่ดิน ร, บรอบๆจะท่วมหมดแต่ปรากฏว่าป่านี้น้ำไม่ท่วมน้ำขึ้นสูงอย่างไรก็ไม่ท่วมชาวบ้านยังเชื่อกันว่าเกาะนี้ลอยน้าได้และเชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้ เพราะเจ้าที่เป็นคนทำไม่ให้ปืนป่าแห่งนี้จมน้ำขณะที่ท้องอินปักเสติชาวบ้านโนโนเมืองซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับป่าคาชนโนดได้ย้อนถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในป่าคาชะโนดอีกหนึ่งเรื่องของป่าแห่งนี้ซึ่งคนภายนอกฟังดูอาจจะคิดเป็นเรื่องบัปโลกขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนกลัวกันเล่น สำหรับชาวบ้านที่อยู่มานานนมกลับเชื่อสนิทใจไม่ใช่นิทานประดามปราหรือนิยายประหลอมโลกแต่นั่นคือแรงศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อป่าอันลี้ลับและเต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายเดิมทีคนท้องถิ่นจะเรียกที่นี่ว่าวังนาคินคำชะโนดที่มาก็คือมีบ่อน้ําอยู่กลางดงชนโนด เป็นบ่อน้ําขนาดเล็กๆแต่กลับมีน้ําซึมออกมาตามธรรมชาติตลอดเวลาทําให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ําประทานมาให้โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณผืนป่าสําหรับบ่อน้ําในป่าคำชะโนดว่ากันว่าเป็นบ่อน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากชาวบ้านเชื่อกันอย่างนั้นมีหลายคนเคยลองอธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ํา ก็ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บป่วยไปดื่มหรืออาบน้ำโรคไร้ก็จะหายเป็นปลีดทิ้งสร้างความอัศจรรย์ใจยิ่งนักแต่นั่นไม่ใช่ทุกคนอยู่ที่ความเชื่อมีมากน้อยแค่ไหนหลายคนไม่เชื่อแถมยังลบหลู่ตักน้ำจากบ่อแล้วนำมาล้างเท้าแทนที่จะหายป่วยใครกลับทุกทรมานซ้ำหนักกว่าเดิมเช่นเดียวกับใคร ที่อยากจะเข้าไปาสัมผัสป่าลี้ลับคาชะโนดก็ต้องสํารวมและปฏิบัติตามข้อห้ามอื่นๆเป็นต้นว่าห้ามใส่รองเท้าทั่วทั้งบริเวณป่าหมวกเว้นตาร่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ห้ามเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูถูกดูหมิ่นต่อผู้ปกปักรักษาผืนดิน